เซขะปฏิปทาสนทยาธมิกถาวันที่14มกราคมพศ2547เรื่องบุรณาการการศึกษาภาคที่2โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโยในอริย ญ, ญ, ญาณธรรมและความสดชื่นแจ่มใส ความสงบเยือกเย็นแห่งจิตแห่งใจและความผาสุกทุกประการคอยจะบางเกินมีแต่ท่านสาธุชนเพื่อสาธมิตรเซขะบุคคลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนโนอกาสนี้ <c oughs> <c oughs> วางมือลงซะนั่งใจยูในอียบ ท, ที่ท่านธนาทานีสะดวกสบาย สร้างบรรยากาศในขณะนี้ให้เป็นบรรยากาศแห่งความปลอดโปร่งโล่งอกโล่งใจทุกส่วนของกายและใจแต่มันเครียดอย่างมันตรึงเพื่อเราจะได้รับประโยชน์ในการพูดในการฟังภาคเย็นหลังฟ้าสนธยาไม่ใช่ก่อนสนธยานะพาไปสนธยาไปแล้ว <c oughs> ลงจากอาสนะก็ไปขึ้นเตียงพยาบาล น, นอนคว่ำอยู่สองชั่วโมงให้ท่านเอาค้อนตีตามเส้นตามเอ็นะลนด้วยน้ำมันสะโตก๊กครึ่งโหลหขวดตลอดเวลาสองชั่วโมงลงจากเตียงพยาบาลก็มานั่งตรงนี้ ไม่ได้บุญตรงนี้ไม่รู้จะไปได้บุญตรงไหนเนาะบารายบุญนี้จะส บ, บายนายแล้วนะเนาะห่างพเพศๆนี่ใส่มันมลุนลวเนาะดีกว่ามมุนทิมซื้อทำมิกะถาหลังฟ้าสนทยาในวันนี้เราคงจะต้อง เสียเวลาทบถวนขบวนการผึกหัดพัฒนาเสขปฏิปทาของเราเพราะเรามีเวลาอยู่ด้วยกันในคอรอสนี้ที่เรียกว่าเรเนอร์ครอสซึ่งมันก็แปลมาจากคาว่าเสขปฏิปทาเป็นภาพาตบาลีภาพฟาตาไทยของเราไปว่าข้อปฏิบัติของผู้ศึกษา ว่าตามภาษ า, ษาพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าเซขะปฏิปทาเรามีเวลาจำกัดโจ๊ะสิบวันและมันก็ใช้ใช้เวลานี้เปลืองมาสิ้นมาห้าวันหวันแล้วค่อนทางเลยนะทีนี้จำเป็นจะต้องทบทวน ขบวนการของเหตุปัจจัยเหตุผลในเรื่องราวของเรื่องนี้ให้เข้าใจอีกมิฉะนั้นมันจะเลอะเลือนฟั่นเฟือน <c oughs> สับสนพราเรามาด้วยกันหลากหลายหลายระดับหลายความพร้อมหลายความสุขงอมมันจะีจะต้องปรับ ปรับแนวทานปรับหลักสูตรปรับระบบให้เหมาะสมกลมกืนพุทธศาสนาเป็นาศาสนาแห่งการปฏิบัติไม่ใช่าศาสนาแห่งการพูดธรรมดามุ่งสอนสิ่งที่ทุกคนทำได้ มุ่งสอนสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อมนุษย์ทุกคนที่เหมาะสมกับความพร้อมและความสุข ง, องของแต่ละคนเพราะฉะนั้นเสื้ขาวปฏิปทาของเรามันมีคนไม่มากหลากหลาย <c oughs> มารวมกันจริงจะไปต้องกลับเมื่อดาเนินไปอีกสักพักหนึ่งต้องย้อนกลับมามาทบทวนซะ ก, ก่อน ม่ใช่รันมันจะสับสนทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกมารวมกันในเวลาและสถานที่แห่งเดียวกันในกิจการเดียวกันทำอย่างไรจะได้ประโยชน์ด้วยกันให้มันเป็นระบบที่เรียกว่าบุบรณาการที่สังคมบ้านเมืองโลกเขากำลังเรีรอ้องหาอินทิเกรชันคือการโยงใยแบบ ทำให้มันเต็มมันสบวมแบบทุกส่วนให้ได้ประโยชน์ไปพร้อมกันเรามีคนเก่าคนใหม่คนในคนนอกในขณะเดียวกันมีการศึกษาทั้งระบบเก่าระบบใหม่ระบบในระบบนอกจึงจะเป็นจะต้องปฏิรูป และบุรณาการให้มันสมบูรณ์อะไรคือเกา่าอะไรคือใหม่อะไรคือในอะไรคือนอกเอาเฉพาะวันนี้ก็ได้มาใหม่ก็เยอะไม่ได้มาตั้งแต่วันแรกไม่ได้มาตั้งแต่วันที่แปดพวกมาก่อนก็อบลงกันมาการทำกันมาพูดกันมาหลายเตปหลายขั้นตอนเป็นโปรเซสเป็นกรรมวิธีมา พวกใหม่ๆจะไม่สามารถได้รับรู้ได้ได้เข้าใจได้เลยนี่คือคนใหม่ที่มาวันนี้ก็มีเยอะเพิ่งจะมาฟังเพิ่งจะมาร่วมที่มาแล้วก็มาสนับสนุนนั่นแหละมาเอาประโยชน์ตนด้วยประโยชน์ประโยชน์ผู้อื่นด้วยซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายของพุทธศาสน า, าบัณฑิตในทางพุทธศาสนาคือผู้ทําประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นได้ทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ประโยชน์แนวตั้งประโยชน์ตาเห็นประโยชน์ที่เลยล้าตาเห็นประโยชน์ชาตินี้ประโยชน์ชาติหน้าประโยชน์แนวนอนประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นและประโยชน์สังคมประโยชน์ทั้งสองการศึ่ษาในพุทธศาสนามุ่งฝึกคนให้ไปพูดหรือเอาประโยชน์ได้ทั้งสองจึงชื่อว่าบัณฑิต เราพูดกันมามากแล้วอภัมัตโตอุโภาอเทอธิคันหาหิปันติโททิเทธามีจะโยอัโทโยจะโทสัมปราจีโกอัตภาพิสมัญญาทโรบันฑิโตติปุภจติบุคคลผู้ดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทพัฒนาคุณภาพชีวิตขึ้นมาถือเอาได้ทั้งประโยชน์ทั้งสอง คือประโยชน์ที่ตาเห็นประโยชน์ทางวัตถุในชาตินี้ในชีวิตนี้หรือประโยชน์ที่ตามองไม่เห็นทางด้านคุณค่าทางจิตใจในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุแต่เป็นสิ่งที่เป็นคุณค่าทางจิตใจนั้นหรือชีวิตที่หลังจากตายแล้วเรียกว่าชาติหน้าที่เอาได้สังสองท่งานจัว่าเป็นบัณฑิตเมื่ออบเรียนที่มหาวิทยาลัยไหน อัฒภาพิสมัญญาทีโรบันดิตโตติปภุชติบุคคลผู้ฉลาดทีเอาประโยชน์ได้เช่นนั้นจึงชืช่อว่าบัณฑิตเพราะงานนี้เราต้องงานทุกคนทุกคนได้ประโยชน์ด้วยกันให้ทุกคนได้เป็นบั น, ด, ด, ด, บนดิตในการในการศึกษาในฐานะเสขาปฏิปทานนี้คนเก่าที่มาตั้งแต่วันที่แปด ก็สืบทอดกักมาไปถวบนการเป็นระบบฟังมาประพฤติปฏิบัติมาทั้งศีลทั้งสมาธิทั้งปัญญาฝ่ายมาสนับสนุนภายนอกวงนอกก็ได้ทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาแต่คนใหม่มาวันนี้ก็ควรจะได้ด้วยกันเราจะปฏิบตจะต้องสมบูรณ์แบบทั้งทั้งนอกทั้งในทั้งใหม่ทั้งเก่าจึงต้องย้อนจึงต้องทบทวน อันนี้ใหม่สำหรับมาวันนี้ก็จะต้องได้ประโยชน์ในการได้ยินได้ฟังให้เข้าใจร่วมกันาการกระทาใดๆในโลกนี้ถ้าถ้าทําร่วมกันแต่ไม่เข้าใจด้วยกันมันไม่ได้ประโยชน์ทําปด้วยความสับสนอันนี้เก่าเก่าสาหรับบุคคลในการมาในสถานที่ในกาเวลาที่กําหนดนี้ผู้มาใหม่วันนี้ได้ยินข่าวว่ามาไกลาๆก็มิมาจากเมืองกาเมาลาสังสาก า, าลกาสินุ่งก็มิ เพื่อมาแล้วก็จะจะมาได้รับประโยชน์ทั้งสองฝ่ายด้วยกันก็ควรจะได้ย้อนทบทวนย้อนคืนสู่พื้นฐานเดิมๆที่เราเริ่มมามันจ ะ, จะสอคล้องอมเกินส่วนเก่าและใหม่อีกอันหนึ่งคือระบบการศึกษาของเราผู้ใดผู้เอก็จะดึงต้องทบทวนเพื่อนสาธารณมิกนิสิตนักศึกษา ที่เรียนในมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยของของคณะสอ์จัดตั้งพวกปริญญาตรีบ้างปริญญาโทบ้างหลายคณะหลายศาสตร์ก็มารวมกันอันนี้ชื่อว่าการศึกษาระบบใหม่ที่จะตั้งที่จะตั้งขึ้นมานี่ใหม่นะหม่ทางระบบการศึกษาแต่ผู้ที่บวชมาเรื่อยๆไม่ได้เข้าโรงเรียนระดับมหาวิทยาลายัย แต่ก็ศึกษาจ้อย่างอาตมานี่เราเป็นต้นอย่างผมเป็นต้นยี่สิบปีมาแล้วไม่ได้นำม้แต่นัาทำดีนี่คือระบบเก่ากึกระบบนี้เป็นระบบการศึกษาแบบเก่าแบบเก่าที่เรียกว่าไตรสิกขาพอบวชปั๊บอุปถากรยัดให้เลยยัดบวชทห้เลยยัดไตรสิขาทห้เลยวันนี้คุณบวชแล้วนะถ้าสมารถหัดเต พอพระชตีตาหาตับตะเวทีดีวันนี้คุณได้บวชในทางปีไหนที่ปัะหาพระตาาคตตัไปแล้วดีนะตับไปแล้วดีแล้วนะขั้นจงเธอจงอธิศีลศิขาศิกิิตต p ักอธิจิตสิขาศิิก k ิ i t a p a t ิคุณทั้งหลายจงตั้งใจศึกษาอย่างแรงกล้าในเรื่องอธิจินอทิศิล สินอันยิ่งอธิจ็ดจิตอันยิ่งอธิปั ญ, ญาวัญายิ่งอย่างแรงก้าด้วยของพรบผู้วัดมันก็ยอมรับใส่เก้าะอะอามะพันเตกับไปว่าโดยเขาหน่อยเสีเนต้องหยุดอกนั่นคือคือคื อ, คอปฏิญาณเพื่อจะรับการศึกษาแล้วก็ศึกษามาตำนั้นรักษาสินหาเจริญสมาธิภาวนา อุตสาห์เก็บหอมรอมฤต์เก็บฤทธิผสมน้อยร้อยดวงซึ่งความรู้ในธรรมพุทธาตาธนาอันนี้ชื่อว่าการศึกษาแบบเก่าระบบเก่าระบบใจสิกขาระบบพัฒนาชีวิตประทั้งระบบท้งพฤติกรรมทางการบาจารและจิตใจคือด้านสมาธิและขบวนการรับรู้คือสติปัญญานี่ระบบเก่าแล้วก็ระบบใหม่ก็ต้องมาพบกันที่นี่ จึงจงเก่าอยู่เส ม, มอว่าทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกที่นีนมองแบบเบิรเบสไอวิวมองแบบนกบินไปทั้งบนบนฟ้ามองดูข้างล่างเขาบอกว่ามองแบบทิวทัศน์มองแบบให้เห็นครบถ้นแล้วจะเห็นได้ว่าในและนอกฝ่ายเหลืองๆบรรพชิตนี้อยู่วงในของพุทธศาสนา ศึกษาร่องละเอียดในสกขาแบบแบนในในในวงในคือพิจสูนักบวชนี่ท่านถือว่าเป็นเป็นเป็นบริษัทวงในภายในแล้วภายนอกคือญาติโยมที่มานุ่งขาวห่มขาวอันนี้ถือว่าเป็นผู้ทำบริษัทบงบงนอกมาได้อยู่ในวงในแต่ก็มาศึกษาร่วมกันในที่นี้มาศึกษาร่วมกันกิน ตื่นนั่งยืนเดินนอนทุกอย่างทํามเหมือนกันหมดทางเหลืองๆทางพระพิ ษ, ษ, ษสุสามนเองกินขังเดียวในภาชนะอันเดียวทางอุบาสกบาสิกาผู้เข้ามาสู่การศึกษานี้ก็เหมือนกันไม่มีอะไรพิเศษกว่ากันนี่คือภาษาระบบภาษาหลักสูตรปฏิรูปการศึกษาที่แท้จริงนั่น ไม่ต้องไปรอให้สบปชจกกัดการเท่านะพวกเราทํากันเองนี่แหละคือปฏิรูปที่แท้จริงปฏิรูปนั่นนะ่ะเป็นพัฒนาบรีปฏิรูปปังแปลว่าทําให้เหมาะให้ควรให้ดีให้งามให้เหมาะสมกลมกลืนนะนี่แหละคือการระบบใช้ระบบปฏิรูปการศึกษาเราจรึงต้องประสานภาษานระบบภาษานหลักสูตรประสานแนวทาง ทั้งทางในและทางนอกทั้งเก่าทั้งใหม่ทั้งในทั้งนอกเอามาบูรณ า, าการกันเป็นอิทิเกชสนที่พูดมาอย่างนี้เพื่อจะย้อนทบทวนตั้งแ ต, แต่วันแรกมาากันจะถึงวันนี้ยิ่งผู้ที่จะมาใหม่ในวันนี้เพื่อจะมาฟังคำด้วยมาฟังเทศมาทำบุญมาให้ทานผู้ที่มาวันนี้ก็ก็ชื่อว่ามารับการศึกษาเหมือนกันผมอยากจะพูดเ น, นท่านหลฟังว่า ความเจริญทางวัตถุอาคารซึ่งก่อสร้างยิ่งใหญ่มโหรานมโหลานอารามวัดว่าอารามโบสถ์วิหารที่สร้างมาใหญ่โตไม่ใช่เป็นเครื่องบอกบอกความเสื่อมความเจริญของพุทธศาสนานะความเจริญและความเสื่อมของพุทธศาสนาอยู่ที่การศึกษานี้วัดหรืออาราม เป็นสถานที่พัฒนาจิตใจชุมชนขายายทำเสริมเพิ่มขายายปัญญาให้แก่ชุมชนได้ไหมนั่นจึงชื่อว่าเป็นความเจริญของพุทธศาสนาและถ้าวัดถ้าชุมชนสถาบันนี้ไม่สามารถทำหน้าที่ดังนี้ได้ถึงจะสร้างใหญ่โตมาแค่ไหนก็ตามไม่มีประโยชน์หรอกครับเป็นความเสื่อมที่สุดเลยซ้ไปต่อไปจะเหลือเพียงสร้าง สิ่งที่สร้างมาใหญ่โตของวัดของวาดโดยทําไม่ได้ทำหน้าที่อย่างนี้มันจะกลายเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของทางสังคมคือจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแต่จะเหลือเพียงซากของวัฒนธรรมโดยเขาไม่ได้พัฒนาทางจิตทางกายเลยและตัวศาสนาก็สัน่นคลอนเงี้ยงไปหมดไปสิ้นไปประวัติศสาสตร์ของพุทธศาสนาที่ผ่านมา เมื่อเจริญเต็มที่ทางวัตถุแม้จะมีความเสื่อมความเสื่อมทางหลักธรรมทางหลักเกณฑ์ทางหลักการทางพุทธศาสนาทางสังคมก็จะเกิดขึ้นความเสื่อมนั้นจะเกิดขึ้นมาหลังจากความเจริญสูงสุดทางวัตถุสุขโขทัยอยุธยาถ้าดูใกล้ย้อนไกลออกไปนครวัดนครทง ปราสาทบรรทัสมาปราสาทหินพิมาปราสาทพนมรุ้งเขาพิหารเหล่านี้เป็นร่องรอยแห่งความเจริญทางวัตถุทางสร้างแห่งวัฒนธรรมและเป็นร่องรอยแห่งความเสื่อมของจิตใจทางศาสนาพระเจ้าโศกมีศรัทธามั่นในพระพุทธศาสนาแต่ละวันเลี้ยงพระเป็นวันละแสน เพราะความเรื่องใสยอย่างแรงกล้าสถานมากขึ้นก็ทุ่มเทอามิตรไปแต่ถวา ย, ายนั้นเป็นความเจริญรทางวัตถุเรียกว่าอามิตสบายบุญอามิสรสวิปุราพัาบริวาอามิตสวิปุราไปว่าอามิสบายบุญรุ่งเรืองพั่งพร้อมไปด้วยอามิตรด้วยวัตถุแต่ม่ในขณะเดียวกันนัทธธรรมวิปุรานัทธธรรมวิปรรรวุปราธรรมเสื่อมไม่เทยบุญเลย เพราะผู้ที่อยู่วงในคือพระสงฆ์ไม่มีการศึกษาไม่มีการฝึกหัดพัฒนาในใจสี่ขาก็มุ่งแต่จะเซฟสบายวัตถโขลาบสกุลัสะละเสียสารเสริญเย่ยยอนนั้นหมกมุ่นสยบทางด้านจิตใจก็มีแต่แสวงหาสิ่งเหล่านั้นคนนอกศาสนาที่รอคอยจะบวจงเห็นว่าพระสงฆ์นี่อยู่ดีกินดีมีแต่คนหลั่งไหลามาสนับสนุนมาถวาย ก็ปลอมตัวเข้ามามาบวชเพื่อจะขโมยธรรมวินัยนี้หากินรรทำมัเถรทำมวินเนย์ทำมเถนตะโกข้าพระชิตตองบวชมาขโมยธรรมวินัยนี้เลี้ยงชีพเพราะเห็นว่าคนทั้งหลายเขาศรัทธามากจเจริญมากทางพุทธศาสนาพระสงฆ์จะไปไหนจะพูดจะจะอะไรเขาก็เชื่อจะหลอกยังไงเขาเชื่อ พอเห็นเห็นแต่ตัวพระองค์พระก็เชื่อไปแล้วห้าสิบเปอร์เซนยิ่งมาทำปฏิประดอยมายาส า, าไทยให้หน่าเลื่อมใสขึ้นโกขอหลอาลวงเพิ่มไปอีกยิ่งเริ่มใสไปมีอะไรก็เลยถวายนักบวช ป, ปลอมเกลื่อนกลนในชปวสมัยนั้นเป็นเหตุแห่งพระอราหันต์ที่ท่านยังเหลืออยู่รีบ รวมตัวกันชำระสสารสังขารนาและในขณะเดียกันพระเจ้าอโศกผู้มีพรตถาค้าท่านจะพระเจ้าอโศกปิดสอนตัวต่อตัวสอนทำระหว่างพระพัติตตะโมคคีบุทิสะมหาเทระซึ่งเป็นหัวหน้าไปประฐานนะใช่ไหมครัสอนพระเจ้าอโศกอยู่อาทิตย์หนึงสอนเรื่องหลักการหลักเกณฑ์พุทธศาสนาพุทธศาสนาสอนอย่างไรพระเจ้าอโศกเรียนตัวต่อตัว รูปภาพระเจ้าอสศบมีพื้นฐานมีเบสิกและมองเห็นพุทธศาสนาแบบสต r u เ t อร์แบบเอาลายมีโครงส ร, ร้างอย่างแน่นหนาะแล้วเข้าใจแล้วมออั น, นานนี้ให้พระเจ้าอโศช่วยํำระสาสางด้วยอำนาจของทางบ้านเมืองชระสาสางพุทธศาสนาให้เจริญพระเหล่านั้นไม่ได้ไม่ได้มีการศึกษาแต่มันบวชมามากมันบวชเพื่อทำลายก็เรียบคารวมกันทั้งหมดชมูระ ให้พระเจ้าอโอกถามปัญหาให้พวกนั้นตอบถ้าตอบไม่ได้ตามที่สเปกนึ่ตามที่เรียนมานหนึ่ไม่ถูกหนี่งแสดงว่าเป็นคําสอนนอกแนวให้จับศึกโดยพระไม่ต้องทำอะไรปากกอดปากพระเจ้าอโศกสอบพระเหล่านั้นโต๊ะปัญญาดิงศึกไปหกหมื่น 60, คนผเหลืองกองทุนบผู้พุของนี่ที่ทำรัศสารนั้นได้อาศัยอนาจ เขามหาการศ์ผู้ยิ่งแก่เพื่อสึกถึงพวกนั้นออกไปหมดแล้วก็มีไปพระดีๆก็จึงส่งพระมามาเผยแผ่มาจนถึงประเทศไทยของเราถ้าคืนปล่อยวันนี้หมดหมดแน่ๆไม่มีเหลือการศึกษาของสงฆ์ไม่มีใครเสืบถ้าไม่สนับสนุนการศึกษาก็จะขาดสาธารณฐานงานนี้จะมีชื่อว่าเสะปฏิปทา ข้อปฏิบัติของนักศึกษาเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของสมเพื่อจะได้เจริญโตเติบโ ต, ต, ต, ตมาเป็นาศนาสนาญาติทั้งฝ่ายบรรพชิตทั้งฝ่ายข้าเรื่องชาวบ้านทั้งสองจะต้องมีความรู้ความเข้าใจเพียงพอต่ตอพุทธศาสนาที่จะได้เชื่อเป็นาศนาสนาญาติพระพุทธเจ้าของเราท่านเป็นห่วงพริกสู่ทั้งหลาย ความห่วงใยของเราซึ่งมีต่อเธอถืงทั้งหลายมีอยู่เป็นประจำว่าทำไหนหนอสาวกของเราภิกษุภิกษุณีอุบาโุบาสิกาจึงจะเป็นธรรมทาจญาผู้รับมรดกทางธรรมเข้าใจหลักธรรมหลักเกณฑ์หลักการที่ชัดเจนนำไปปฏิบัติจะได้อย่างถูกต้องความเป็นห่วงเป็นใยของเราซึ่งมีต่อเธอทั้งหลายมีอยู่ว่ามีอยู่ว่า ทำไฉ น, นอสาวกของเราจึงจะไม่เป็นอมิสธาจาร์รับแต่มรดกทางทางอามิธพอได้อยู่ได้กินความคิดเหล่านี้เป็นสิ่งที่ยังโคจร อ, อยู่ในจิตใจของเรายังค้างคาใจของเราอยู่เสมอเรียกว่าสพันยูเชนะโคจรโคจรค้างคาอยู่ในหัวใจของพระสมาะตถทาทธเจ้าอยากจะให้สาวกทั้งพิจูทั้งพิจุณีทั้ง วาโซวาสิกาได้เป็นธรรมธาญาติคือรับมรดกทางธรรมเข้าใจหลักธรรมนำประสบการณ์ประพฤติปฏิบัติที่ชัดเจนถูกต้องไม่ฟั่นเฟือนเรืองลางจางคายนั้นคือการอยู่รอดของพระศาสนาเป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อประโยชน์แต่มนุษย์และเกเทวดาทั้งหลายงานเชขปฏิบัตของเรามีจุดมุ่งหมายอยู่ตรงนี้ เพื่อเราทั้งหลายได้รับประโยชน์ได้เข้าใจเพื่อจะร่วมกับรักษาพุทธศาสนาทำให้พุทธศาสนาได้มีพลังพระสงฆ์รุ่นเก่าก่ารุ่นใหม่ปีนี้คือรุ่นการศึกษาแบบดั้งเดิมกับการศึกษาแบบแต่ตั้งมองมองดูแล้วเกือบจะมากกว่าหรือจะมากกว่าเดิมซ้ากับรุ่นเก่าแบบเก่า แบบดั้งเดิมแบบพ่อตุลยคือผมในนาแบบพ่อตุลย์นี่แบบว่าได้นมาท่งนตีนี่นั่งอยู่แลวมันในวันนั้นท่านตีคือผมในชิมีอยู่เพราะมันไม่ได้เรีย น, นแล้วเราปรหาวิทยาลายัยเนยจะมีมากนี่คือแบบเก่าแบบไต้สิกขาแต่ถ้าเราไม่บูรณาการไมามารวมกันฝึกไต่สิกขาด้วยแบบใหม่นี้จะบทบังขอใหม่จะมาบทบังของเก่า ของเก่าดั้งเดิมจะหมดไปยาคูก็จะหมดไปไหนสาระอันญาสิแต่ไม่มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งการปฏิบัติถ้าไม่ปฏิบัติมีแต่เรียนมีแต่พูดเมื่อนั้นแหละคําว่ายาคูจะหมดญาคูแปลว่าผู้รู้อัญญาแปลว่าผู้รู้รู้อะไรสาระอัญยาสิรู้จักแกมรู้จักแกมเพคขาอัญยาสิ รู้จักกับพีตระจาอัญญาสิรู้จักเปิดอเอตังอัญญารังสมณังที่โคนังนั่นแหละชื่อว่าภิกษุชื่อว่าสมณะผู้รู้อะไรเป็นเปิดออะไรเป็นกับพีอะไรเป็นกันของพรมันใจนี้ของทำอันนี้สีลสมาธิปัญญา รวมกันเป็นเป็นเป็ น, ปนลำต้นเป็นตัวพวง ก, กันแต่ความหลุดผลวพพิมุตมติสา ร, รูปวิมุตตินั้นเป็นแกน่นสาระนั่นเป็นว่ากแกนที่เรียกว่าแก่นสารแก่นสารฟาตาบรีสโเสือสรารอโลเลอระโลเลสาราสาระนั่นคือแกน่นไม่ใช่รอลิงนะที่ว่าแก่นสารแก่นสารพิสูุน์ทั้งหลาย ในภพปัจจันนี้มีความหลุดพ้นเป็นแก่นสมาธิญาณทัศนะมีลิมีเดชของทิ่ตาทิตนน่ตรงนี้เป็นเพียงกับกับผีเป็นเพียงมอกมอๆศิลที่รักษาบาบริสุทธ์นะเป็นเพียงสเก็ตแห้งๆเปลือกมะทงลาบสะกะะักหลาสิยงสารสนิยนจอง ชื่อเสียงโด่งดังเป็นเป็นเป็นยอด อ, อ่ อ, อนมันแกมมันลงยอยางงานมัน อ, อน่ อ, อนเรามานี้เราเข้าถึงแก่นพอสมควรถึงไม่ใช่แก่นลึกๆก็ยังแก่นตื้นๆหลุดนะที่มาในหลุดหลุดพ้นพ้น อ, น อ, อ, อ, อย่างพ้นจากกุติิแทนที่จะนอนเอกนีอยู่บุติรันหลุดมานั้าสวิทชิตตีสองระเพนบอกเก่งเติร์เบ อยู่มหะจุาม่ได้มาได้อยู่อเจสีไ้นอนห่อยอยมหาจุฬาเป็นนางหัวเสาตลาบบทดเบิ่งข้อสาดจิบบอกแค่เสิบมุ้งได้เดียววุงเค่วัเพราบัดบัดทวนฤทธิ์หลุดได้ดีมันยหลุดมาได้จุตีดีๆจุติไม่ได้นอนมานอนอยู่ใต้ต้นไม้กลางพื้นดินบนฟื้นฟางนอนกับดินกินกับฟางตื่นมาแต่ทีหนึ่งตีสองมานั่งสมาธิแล้วหลุดพ้นมาจาก อำนาจครอบงำของวัตถุ ข, ขอสมควรยายโย้ า, ยาลหยก็หลุดมาได้นีวิวัติสาลามีการหลุดพ้นเป็นแกนหลุดมาจากลกูกหลุดได้จากหลานหลุดมาจากขึาาก้นหลุดมาจากท่านหลุดมาจากกระตาหมานั่งพลังคนจะเคียวได้สมปาอยูุ่โกรเอาให้คนเศร้าซะก่อนโมฮันแตงโคเขียโคเขียอยู่ในโกลก็ได้ยรุดด้วยก็ได้รุดไหล ก็น้ำเกล็นมากพอใหญ่ไม่ใหญ่ผ่านกา ร, ร่วงการผ่านวัมานานอายุก็มากจะเดินจะเหินจะไปแต่ง จ, จะมาจะก้มจะเหยียดจะคู้จะเงยร่างการมันแก่ชะแลลรยจะนั่งโอลุกโอ้ยไปเสียทุกข์ทามว่มาแล้วเนี่ยเหี่ยวนังงย่างไปมากระดูกรลันสันบันไปไปมากักนยังมาได้ ตีหนึ่งตีสองแล้วขังล่างมาก่อนเด้กคู่ตำนามานางซรลาบหลังคดหลังงงุดนี่ก็รุดมานก่อนสุนี่งโก้ยก้ยมากคนน้อคนนี้แต่อีกว่าคนเราคนวัร้านว่าอัศจรรได้โอทองสมัาแตกบักกระโปรงขาวสมามมนโกโอเดโน่ประทังโอทองนั่นเออเ้ยโก้ยน้อง ก็พบว่าข้าวุหนังงงเงมาเตะเสนังข้อมายได้จะไปตีไปได้ยูได้หัวดำไปก่อนหัวโดนน้ำหลังพุ่นหัวดำโฮหัวบาแทลหัวโดนสลบโดยก้ยถุงกุดกันุดเขื่นหึงรุดสะมือทุกข้ก้อยก้อนได้มือได้มือหัวดำไปก่อนปืนหายหัวดำน้ำหลังหัวโดนเสีออกกอนได้ดักและขังตี ยังฝนปอปล่อยไปเผาไปเปลี่ยวผ่อนคลายมีเล็กทันทเวลาตีขอนทำมาประมาณเดืนจุงจุ่งจังๆปานควอยพยดสิกินัาเมื่อกิด้พากยกึ๊บซึ่งสิกิดนัขณะข่ะใช้ทันจะเป็น่นหิวข้อยาวเป็นรีนิ้วตัวไปทั้งฝืนตัวไปทั้งสี่สิคิดหนักควยผยนต์ คนบาลานตาางหัวดำไปก่อนหัวดอนน้าหลังแมนอยู่ได้เนาะคืนเนาะยังมือซาวย่งมือแรกวะเพียงยางตีคลองตีละคังชื่อนอะไรกล็ลดพิบุตริสาลาเป็นย่งคู่ได้ย่งคู่เขาหนะักจะได้เป็นเซค่หรือไม่ได้เป็นเซขะก็จะทุกตัวจสอจะต้องวัดกันที่เรียกว่าเป็นเซข่นี่ยมาถึงนักศึกษาที่แท้ในพุธทธศาสนานะ มีความมีมีมาตรฐานสำหรับตัวตัดพฤติกรรมได้มาตรฐานจิตใจได้มาตรฐานปัญญาได้มาตรฐานระดับเองที่ชื่อว่าเสขาบคุคคลทีนี้เราอย่งไม่แน่หรอกว่าเราจะเป็นเสขาหรือยังยังไม่เป็นต้องตรวจสอบวันนี้ไม่ได้ตรวจพรุ่งนี้จะเริ่มตั้งเ้าตรวจและพราจะจบคอร์สแล้วก็ตัวตัวเองการศึกษาในพุทธศาสนา ไม่ได้หมายถึงผู้บวชเท่านั้นแต่ผู้ที่อยู่คองเรือนผู้ที่เป็นขลุ่หัดก็ต้องศึกษาอย่างของผู้บวชท่านตั้งๆๆชื่อตรงๆว่าไต ร, ต ร, ต ร, ตรตสิกขาสิกขาสิกขาเราพูดมาจนไหนให้เราเข้าใจกันบ้างสิกขานนั้นเป็นภาษาบาลี ภาษาสันตติจิตวาศิษาภาษาไทายแปลงเป็นศึกษาอันเดียวกันอันเดียวกันแต่ความหมายเราจะต้องการทำให้เข้าใจมากกว่านี้ใตศิกษาของนักบวชคือศีลสมาธิปัญญานั้นคือบทศึกษาของนักบวชเราแล้วันนี้เราก็มาทำกันจนครบแต่ของโยมของขเรือัด ก็มีเหมือนกันเืียว่าวงนอกมีชื่อว่าบุญยะศิขาบุญยะศิกขายัางมาวันนี้บางท่านมาใหม่ยังไม่เคยมาเพิ่งจะเห็นหน้าก็มามาอะไรถามว่ามาทํำไมเมื่อวานไม่เห็นมาวันก่อนไม่เมามาทำบุญนะมาทำบุญมล้วไม่ได้มาเฉยๆต้องศึกษาด้วย มีคำกล่าวเป็นเป็นทอยคำที่ชัดเจนของโยมปุญญะมีวโสสิเคยะอายะตะทั้งสุขินทริยังทานันจะสมะจาริยันจะเมตตาจิตันจะภาวยีอิติธรรมีภาวยิตาบาตโยสุขังทุกมรเจีอภิญญาปังสุขังโลกังบันทิตโตติบุจจตะติประเทศไทย เป็นบ้านเป็นเมืองจเจริญรุ่งเรืองเจริญมาด้วยเศรษฐกิจก็รุ่งเรืองสมัยนี้การเมืองก็รุ่งโรดทั้งหมดดีอำนาจแห่งบุญศึกขาฟังให้ดีนะฟังแล้วคิดจเจริญเติบโตมาสงบร่มเย็นมาพื้นพิ น, นิ้ฐ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ที่เราศึกษามาสิ หาศึกเข ย, ย่านำไปว่าอบรมการทำงานมันเกิดให้มันมีขึ้นประเทศไทยมีบุญดูสิวันนี้มากันก็นมาเยอะมาทําบุญบุญนี้ถ้าเราไม่เข้าใจาเราจะต้องศึกษาไม่เช่ดนั้นทํามันถูกมันจะทําบุญเก่งมาทําบุญไม่เป็นทุกคนที่โชคดีเกิดมาในพภพพุทธศาสนาแล้วจะต้องก้าวลงสู่การศึกษาตามแนวทางพุทธศาสนา มีอะไรบ้างอย่างง่าย ท, ที่ที่เป็นเป็นมาตรฐานของชีวิตที่เกิดมายังไม่ได้บวช น, นะเป็นมนุษย์ธรรมดาท่านแต่ไปว่าอักขังฐานนางมนุษย์เสสุมคังสตาวิสุทธิยาฐานะอันสูงส่งเลือเลือดอกขะอัอัเนี่ยไปว่าเลอืเอดไปว่าเลอือสูงเลอิอดีเลอืออักขังฐานนางสถานภาพอันสูงสุด มนุษย์เสียสุขอยู่ในหมู่มนุษย์มักขังสตัทวิสุทธิยาทำให้มีเส้นทางเป็นเส้นทางที่จะเดินไปนสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้มีอะไรบ้างที่ท่านแจกท่านแจกเส้นทานงความบริสุทธิ์แห่งชีวิตและคุณค่าสูงสุด ข, ของชีวิตมีอะไรบ้างท่านก็เลย ตอกแกวน้ำพระบางานังเทติสีรังลคติภาวนาภาเวตบาเอกัดโจสักขังอุปชติเอกัดโจนิสังสยางโงโขวิจิติแปลว่า ทานที่ให้สินที่รักษาทานนางเทติศีรษะลัคคติภาวนาพเวตาวาภาวนาที่บุคคลนั้นเจริญแล้วบางคนทำเพียงนิดหน่อยก็เคลื่อนขอไปสู่สวรรค์ุ้นอนุภาพอนการพัฒนาศึกษาด้วยทานด้วยสินด้วยภาวนาเนี่ยเอกัเก สักครั้งปัจจติับางคนบางหมู่บ้านเรากระทำไว้น้อยก็เคลื่อนข้อไปสู่สวรรค์พัฒนาชีวิตไปถึงสวรรค์ได้เพราะผลงานที่เกิดมาเป็นมนุษย์ในพระพุทธศาสนาได้กระทำตามบทศืสานี้เอกเจเอกโจโมกโขนิสังสยังสุวาสนาปริปากาปริมิตาสาโฟธิญาณังปริปุเรนติ ทานที่ให้ศีลที่ที่ได้รักษาภาวนาที่ได้เจริญแล้วกระทําให้มากเจริญให้มากบางคนบางกลุ่มบางพวกเอกกระจกหลังมูหลังคนทำมากเจริญให้มากแล้วนิสสังสัดดังสุวาสนาปริปากัง ปารมิตาสาโพดิยานุปริตปูเรนติบ้าเขือกีบเ่าขึ้นว่าภาษาบาลีนี่เขื่อกเอาออเอาหน่อมื่อก็เอามึือกี้นี่คำว่าวาสนานะจำได้ไหมที่มานี่ไม่ได้อะไรต้องทามันได้แล้ววาสนาได้เคยูดมาแล้วเอเกเจนิสังสยังสุวาสนาปริปากังปา ร, ปรมิตา สาฟุริยานังปริปุริณิติบางคนบางมูบางเหล่าได้กรเลิได้เจริญได้กระทำใม้มากแล้วซึ่งทานซึ่งศีลซึ่งภาวนานี้กลายเป็นนิสัยฝังอยู่ในใจิตในใจนิสังสีังสุวาสนาเป็นวาสนาที่ดีงามปริปากาังปริมิตาปรมิตาก็จะบ่มบาลมินี้ให้อกงอม สาพธิยาหนั่งปริปุเรนติโมคโขวิภูจิก็จะยังพธิยา น, นี้ให้อุดมเต็มเปี่ยมแล้วก็นำไปสู่ความหลุดพ้นโมคโขเลยหลุดพ้นจากวัฏฏสทุกานไปเลยนี่คือผลของการศึกษาที่เรียกว่าศิกษาในพุทธศาสนานี้นี่นะของแบบแบบเป็นซปเปอร์สแตนดาร์ดของโยมของทุกคน ถ้าไม่ได้บวชก็ไม่ใช่วายจะอาภัพหนทางที่จะดำเนินไปตรงนี้เราไม่ได้บวชเราไปคารว า, าทถ้าเราเดำเนินตามทางต่อพุทธศาสนาเนี้ทานศีลภาวนาอย่างได้โยมที่ทปไปม า, มาวันนี้มากๆยืนมามายันมาหลายเที่ยวรถมากินมาทานมาฟังเทศมาฟังธรรมด้วยในะงานอย่างนี้นี่มันโบรณาณการครบชุด ครอบรอบคอบคุมทั้งกินด้วยนะทั้งทานไม่ใช่มีแต่ทานอย่างเดียวเทหิทานนังพุนชจักอริยะมะขังสมารุหะดูก่อนพราหม์เราจะบอกท่านจงฟังท่านจงกินท่านจงทาน แล้วก้าวขึ้นสู่เส้นทา ง, างอริยชนเยินมาคั่วไม่เห็นปวารวิเวศอักินต้องกันมาท่านพ้อมบ้านใต้บ้านเหนืออําเภอนน้นจังหวัดนี้พากันมาเอาข้าวของอาหารใส่รถเรือมาพระสงองค์เจ้าจันโมามองประชุมกันเป็นแหล่งที่จะขอให้เกิดคุ้มทรัพย์แห่งบุญ นี่ถือว่าเป็นขุมทรัพย์ของคนเมื่อประมาณเฮตุใดจึงมัมาพอพาลายกว่านี้พ่อออกไม่ออกพ่อเขาไม่เขาที ม, ท ม, ทมีที่มีท้ำหลายๆเนี่ยเสีย เ, เงินจักกือจักล้านมาจางเพื่อมาร่วมกันอยู่บนเสเียรอยู่ข้าห้องจึงจะได้กินในท่านน้ำฝนผู้เมื่อประมาทจะมองอ่างนี้ก็เลยช่วยโอกาสมามากๆก็รีบมาทำบนนั่ที่ว่าทานนางเทตีทานที่ให้ สีรังละคตีสินที่ได้รักษาภาวนาภาวตวาภาวนาที่ได้เจริญมาแล้วภวิตาพระภูรีกตาเอกจัจจงนิสังสยังสุวาสนาปริปากังปรมิตาสาภูริยานังปริภุรนทิโมคโควิวเจติบางคนบางท่านบางเหล่าบางพวกได้กระทำมาก ก็จะก่อให้เกิดอุปนิสัยใจคอหลอเลี้ยงจิตใจหลอเลี้ยงวิญญาณทั้งกายไปวาสนาที่ดีงามว่าสนาไม่ใช่มันจะอยู่อยู่บนฟ้าอยู่บนดวงดาวอย่างที่เขาร้องเพลงบอกเล่าว่าเล่าแต่วาสนาว่าอย่างนี้ว่าม่าแล่าแต่มันสิไปเป็นไปโดยอีวันทองว่าอย่างนี้แล้วแต่เราจะทําให้มันเกิดขึ้นมีขึ้นวาสนามันเป็นภาษาบาลีอาธิวาสนา แปลว่ารองรับไว้อย่างยิ่งคือสิ่งที่มาลองรับสิ่งที่เรากระทาพฤติกรรมที่เรากระทาอยู่เป็นประจำเนี่ยมันจะถูกลองรับภายในจิตใจส่วนลึกๆต่อมาการมันเป็นอุปนิสัยการมันเป็นแต่ของรอเลี้ยงจิตใจรอเลี้ยงวิญญาณให้เจริญด้วยวาสนากตาธิการจะกลายเป็นบุคลิกาภาพจะกลายเป็นนิสัยที่ความความเคยชิน จยางเรามานั่งสมาธิทุกวันทุกวันตีสองระฆังไม่รันมันก็ตื่นนันมันไป็นวาสนาเราแล้วนะพอได้ยินเสียงละฆังก็ตื่นเฮ้มันเคยตื่นมันลงตัวพฤติกรรมนั้นมันลงตัวมันเคยชินมันก็เลยเป็นวาสนามันนี้เขาบอกว่าวาสนาญี่ปุ่นได้ปะเนี่แล้วแต่มันสิเป็ดไปวาสนา่อยไปบ้างผมไปจุดนันต้อง h ไป้อยากดีก็หัดเอาดี อยากชั่วว่าหาจชั่วคนทามัฮัตได้เวอร์ชื่นเองหฮัต ด, ดีก็ได้ฮัตชั่วก็ได้ไม่มีใครจะเกิดมนุษย์ท่านที่บอกว่าอาคางฐานามนุษย์เสรจฐานาะอเลิกมีอยู่ในเขาเป็นมนุษย์นี้ถ้ามนุษย์จะเพียรพยายามใครจะมาขวางได้ก่อนุกคลพุทธเจ้าได้นี่งเลยเพราะว่าเทวานิชิติพุริสัพพะกมัสสะ ต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถจะมาขวางกัน้นความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้พระพรุทธเจ้าท่านพูดอย่างนี้ว่าต่าคนเพลินมนบอกวันฟัง่งเสื่อกันได้บบเสื้อกัได้กษัตริย์สองเมืองรบทับรถทับแจกสือรบกันต่างก็ตั้งยกกองทับแสนยานุภาพเผชิญหน้ากันรบกัน พันตูวตลุมบอนกันหลายยกคุณนตลกกอดตลับตามป่าตามดมถลม่มทลายมีลือสีอยู่องค์หนึ่งอยู่ในดงใกล้เมื่อพักลบก็ไปพบโดยสีแต่ละองค์ไปดูหมอผมจะชนะไหมคุณผู้หนึ่งไปไปห า, าหมอดูหนะึ่งวไม่เห็นมันนักการบนบ้านการเมืองเขามีเขามีหมอดูประจำตัวนะก็สิ่คื่นกันในเรื่องการลิงขยุนัน การินขั้นชาดกขอกินน้ำยา ก, ก่อนไม่มีเซีนพอพักลบ ก, ก็ไปหาฤาษีคิดว่าเอ้ฤาษีนี่น่าจะรู้ว่าเราจะรบชนะหรือเราจะรดแผแล้วจะแก้ไขอะไรไปหาฤาษีไปหาฤาษีฤาษีก็เลยบอกดูหมอให้พระสุกเข้าพระสามแซ่เจ้าแน่เขตเกิดอาเพศขอกดมสุสมดาสีนะ นี้เดียวดวงตกที่สุดแพ้ไว้บอกกษัตริย์ฝ่ายหนึ่งว่าแพอีกบอกฝ่ายหนึ่งวชนะยังไงก็ชนะนอนมาเลยไอ้ไอ้ตัวที่ได้ข่าวว่าตัเองจะชนะเกาะลอยลําสบายมากแต่ยังไงยังไงเราก็ต้องชนะฤาษีบอกแล้วฤาษีรู้ได้ยังไงฤาษีนั่งทางใหนแล่บอกอีฝ่ายหนึ่งบอกไม่ชนะดอกดวงคนตก ดูดูมาเล่นนี่นี่ดาของคนดวงของคนพระศุกร์เข้าพระเสาแท็บําแน่เขตดูแล้วมันถูกอาเพศเคาะดุมซึ่งสมราสีถึงกับตายนะต้องผูกดวงเมือนี่คป็นรูนเรื่องสีที่เราเป็นลูนสีเรานี่เราเรื่องสีไม่รู้เพื่อนคนคนกลัวตายแต่แต่รีบมาผูกดวงแต่เอาสร่เอาเท้าอายุปีละร้อยดี๋นี้ตัวปีละพันนะถ้าดูของนักาเมืองตัวปีละหมื่น พอนเรื่องสีจะเป็นเทวดาปะเองสีบอกว่ า, วาพรุ่งนี้จะทํานายให้เขาเลยวันนี้ทํำนายไม่ถูกหรอกปไปเลยเพราะวันนี้เป็นวันพระเทวดาพระอีกจะต้องไปไประชุมกันที่สวรรค์ชั้นดาวปดึงเทวสภาอย่างวันนี้วันนี้แปดขั้นะวันนี้ยังไม่ไประชุมหรอกวันนี้เพียงแต่เทวดามาม า, มาตัวโรควันนี้ไม่ใช่วันน่ะวันนี้อํามาอํามาเขาท่าที่โรกระบายจะมาตัวโรค มหาตัวดูคนทำบาปทำบุญทามาที่นี่เห็นเต็มเต็มตาเขาเอาลากเป็มวัดเต็มว่าเจ้าของมาจะที่ตะบางเมื่อเอาตัวอย่างจากไปสิขาเทวเวลาสิว่ายืนจากง้างมาเห็นอยู่ในสิจวั ง, วงมอกันแต่ถ้าวันสิบห้าค่ำเทวดาจะไปประชุมกันที่เทวสภาที่สวนชันดาประเดิงประชุมกันแล้วจะต้องเชิญเทวดาที่เป็นสมณทิิเทพแสดงธรรมให้ฟัง ถ้าไม่มีใครแสดงครับจะเชิญท้าจิตโรก บ, บาลมาอ่านอ่านเขาฝังวันในโลกนั้นขายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ใครทำบนสุนทร a ท h a n ใครฟังทำจำสินใครประพฤติดีไปพืชชอบต่อเหล่าสมณพราหมณ์ถ้าอย่างวันนี้เขาเห็นเต็มตาจะมีเหล่าบริบาลเท้าจิตโรค บ, บาลและเหล่านายบัญชีฝ่ายดีเรียกว่าวิจิตาเลขาคอยจดจดคมดีฝ่ายเสือบี้เรียกว่าฝ่ายชั่ว ผายช่วยมีมีชื่อว่าปลาปลาเลขามาจดบัตรมาบางคนจำศีลมหาฟ้ามเทตุมาดูคนทำบุญมาหาดูคนนั่งนุ่งขาวของเขาไปให้ไปเห็นคนหาอะไรยิ่งโกงกับกางทองมื้อเช้าในโทรศัพท์มาว่าหมูป่าของวัดตายแล้ยวยิ่งกินแล้ววันสศีลอยดีขึ้นเรียเจ้าออัตรอะไรขึ้นวันนี้เห็นนี้ฤๅสีตัวนี้ก็เลยบอกว่าวันนี้สิบห้าคำ พระอินเทวดาทั้งหลายมุง ป, ประชุมกันขอขอให้คำตอบมาลือนี้ให้เทวดาเลิกประชุมก็จะถามเทวดาจะนั่งคํานาย้างในถามเทวดาคนหนามาลือนี้กษัตริย์ก็ไม้แล้วย่องกันมากษัตริย์ที่รบกันมันไม่แอบถามเป็นยังไงครับวันนี้ผมผมมีทางพอ ม, มีหวังเพราะว่คุณน่ะรอเรา ม, มาเลยถามเทวดาแล้วเมื่อคืนนี้ เขาบอกคุณต้องชนะยังไงคุณต้องชนะมาตะห่วงอีกคนหนึ่งมามีมีขายให้หน้อยไน่ให้เงินหน่อยคุณแพ้ดวงคนตกมากต้องพูกมากนะหามาพกถ้าพูกไม่ทันวันนี้ถ้าสงขา่าระเบิดขึ้นพรุ่งนี้คุณต้องแพ้ฝ่ายกระสัดที่ถูกทำนายว่าจะแพ้ฮึดถูก โอ้โหหงำด้วยมันใช้เวลาไปผูกไปผูกทำไรมันแน่สิผูกดวงเพลนอาจะมียทางปุริสเมีย์ทางสมาตมม า, าสวะชัพไปอย่างนิงรักขลังอาเชรกาจาขาโวจาจจจมวิทาจารหันจารอตังสมุขตาอย่างอุปยันติมหิสโนคุณนาค่ายผูกดวงอาจเมียทางมา้าม้าร้อยตัวปุริสเมีย์ทาง เอาเด็กหนุ่มมาลอยคอนเพื่อนมาขายเพิ่นบวงสวงสัมมาปาสังวัชฉะเปย์ยังเอาสัตว์ที่มันหูบวงมามาเป็นไค่มันไปข้าวคู่บู่วงเกวัชฉะเปย์ยังนิรักขลังเอาเรามาสามขวด <c oughs> บวขกาบเราดีบีเตอร์กอร์ตวีนิรักขลังกินแล้วถอนถอน ด, ดิมนิรักขลังแปลว่าถอน ด, ดิม ค่ายถอนลงมันค่ายถอนริมก็มีนี่เรื่องสีต่างแหวกถอนริมให้จเจไรเอาเหล่ามาเอามาให้กินกินนล้วมันจะว่อายมันจะสิแก้ผาอย่างไรเนั่ยมันถอนริมคุณผู้ชมในมีมริ่เรอะด้วทุกคนนี่ยมีความเฮลี่ความละอานเป็นริมอยู่ในหัวใจกวัวดเป่าความเกรงกลัวเป็นรุ่มเป็นริ ม, ลมสลักแกไว้คันรู้ข้อมจากอ่านริมริมมันที่ไร้เจอได้ผ่ารุดนยางไปกลางบ้านกันได้ เห็นแม่ทวารน้องเมียกระไดเขาเป็นมองมามันริมรุดเขาเลยบอกนีรักขลับทอดิ่มในหัวใจในริมกอดอเชรกาจะขาโบจะวิวิธาจะทหานเจริเอตังสมคตาเจริญเงอาปเจริติมหฮงศินนอัชแปลว่าเพะเอตกาแก อเชลกาแพะแก่จากคาโบจากงัวแม่พร้อมจะ ก, กินมาใคาสานนบนดัเขาตกฟวิวิธาจะทหารเเลยซาต่างๆเอามาฆ่าบวงสรวงให้เพิ่นฆ่าค่ายเพิ่นเพิ่นจิสิทูดวงให้การสาองค์นั้นบอกว่าไม่ไหวคืนอูดวงะชิบหายเจสิฮานีมาเป็นฆ่าฆ่าพ่นพอตาย ชีวลานนี่มาซ่อมรถดีกว่าคำวาเตรียมตัวไว้ถ้งมือขึ้นได้ไปทำปเทิญนระชันหน้ากันก็ตีกองสึกขึ้นเอาทหารมาซ้อมรบอย่างแข็งแกร่งพรุ่งนี้ถือมันเจะเอาของกินซ้อมกันทั้งวันให้มันช่ำทองชำนานให้มันเชี่ยวยุดพรุ่นี้เชา้าฝ่ายที่ถกลือศีธนาว่าจะชนะยกทัพมาเลยยางประมาด้วยเพราะยังไงๆตัวเ อ, ง ก, วองก็ต้องชนะแงแง คนนี้เขาสอมไว้ทั้งวันคนนี้เช้าดักชุบประชันไปเจอหน้ากันแต่เช้าเมื่อกันตะลุมบอลกันตายขาคอช้างฝ่ายที่ถูกทำงานว่าจะชนะเซตบัตแต่ครับฝ่ายที่ทำงานว่าไม่ชนะนะชนะเพราะตั้งใจไม่ประมาณเสนาบดีขุนศึกที่มีชีวิตอยู่แอไปกระชิดทำเลยสิ เราผู้เป็นเจ้าทำนายว่ากองทัพของพวกกับผมจะเป็นฝ่ายชนะที่ไหนได้จอมทัพเม่ทัพตายหมดทำนายยังไงเนี่ยฤๅษีก็บอกโอ้ทำนายก็คือทำนายเว้ยดูก็คือเดารวยแบบนีไ้ไปเลยยังไม่พอฤอษีเสียหน้า กลัวเขาจะกระทืบเข้าฌานไปติดต่อกับเทวดาเทวดาใครใยองค์นั้นคือพระอินทร์ไปตอบว่าไหนท่านท้าวสกะเทวราชท่านบอกท่านบอกว่าการยุดครั้งนี้ฝ่ายกาลิงฆะจะชนะ แม่ฝ่ายจุลกาลิงคะจะพ่ายแพ้แต่มันกลับกันจุลกาลิงคะชนะทํางแม่ทัพนางกตายเบิดท่านบอกได้ย่างไงเสียเสียญโฮรือสีหมดบอกต่อพระายอิงเลยบอกว่าขลือีท่านาไม่เคยได้ยินหรือเพราะพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงตัดว่าเทวานาชิชติปุริสปรกรรมสัตต์ต่อให้เทวดา ก็ไม่สามารถจะขัดขวางความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ผู้ตั้งใจฝึกผู้ตั้งใจแต่หาผู้ตัดด้งใจภาคเพียรพยายาม น, นั่นนี่คือที่มาของคานี้นะที่พูดมาเยอะเราคําที่บอกเทวานิสติปุริสปรกระมัสต่อให้เทวดาก็ไม่สามารถจะขัดขวางจะกีดกั้นความภาคเพียรพยายามของมนุษย์ได้ถ้ามนุษย์จะพยายามขึ้นมามนุษย์มันเก่งกว่าเทวดา มันนั่งซารยู่นี่ปล่อยได้คำว่าขีดขาดเทวดาเขโค้งมาได้หรอกบางท่ว่าเป็นเมื่อเป็นสมาธิต้องเป็นต้นไม้เหล่านี้มันมีปากด้วยห่อเอามาปลูก ม, มาเมตุน้อยเท่านี้ในนี้ทํามาต้นแต่ตัวๆใหเราได้นั่งๆั่งร่มมันต้นเลเ็กๆต้นแค่เขี้ออกมาปลูกเก้าปีขึ้นมาน่ทําไมในนี้มันจึงใหญ่จึงโตให้เราได้ได้ร่มเงา จะเดินสมาธิภาวนาที่ใต้ต้นมันมันไม่มีปากแต่มันมีรากเล็กๆดูดน้ำดูดปุ๋ยขึ้นมาหล่อเลี้ยงลาต้นกินก้านดอกไปจนจะเริยนเต่าตัวมันไม่มีปากกินมันกินน้ำห่างไน้อยกินน้าดินกินน้นาน้ากันยังไงเข้านนินั่งสมาธิมือ้าเพียงเป็นยังชิบเป็นมั น, นปเกิดจิตวิญญาณขึ้นต้นไม่ได้บอกขึ้นใจสิไม่ไหวมันร้อนเป็นไปเวลาจเว้ยงห ง, ง, ง, งอ ก, ก, อกบอกไปทานด้วยสิเลยตอกี้ดิ พัฒนาได้ไม่เ ป, น, เ ป, น, เ ป, น, เปนนี่คือการศึกษาพวกเราเป็นมนุษย์ถึงแม้จะไม่ได้บวชก็จะมีแนวทางที่จะนำไปสู่การพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษาบุญยะศิขาแต่นี่ฝากภายนอกบุญยะสิขานะไม่ใช่ไต้ศิขาอันนี้เป็นสิขาภายนอกของผู้อยู่วงนอกของฝาก็เรื่อครัน แล้วบุญยศศีขานี้มันจะเกิดขึ้นยิ่ง ม, มันมาเจริญสมาธิภาวนาตรงนี้มันจะเกิดยิ่งเรามาพัฒนาจิตมานั่งสมาธิภาวนาตรงนี้นานๆเข้าจีแใจมันจะเริ่มสงบมันคิดมากมันก็ขี้เกียจคิดเหมือนกันคิดไปข้างหน้าไปไม่ได้ตัวเองไม่พาไปขานั่งสมาธิที่จะกินก็ไม่ได้กินอยาอายหมูนั่งสมาธิแต่มงจยากนอนดีก็ไม่ได้นอน ไปไปใส่ไปไคิดไปหนาไปไปไคิดย้อนหลังคิดย้อนหลังไปเห็นบุญเห็นบาปเห็นพฤติกรรมตนเองที่กระทำใจจะเริ่มอ่อนตอนนี้จะรู้จักทำรู้จักสินรู้จักบุญขั้นใจแข็งกระด้างบุญไ่มีงหงอมทำเจ้าเอ้ยขยันใดใจเจ้าอ่อนนวนเบิกบานคืนวันนั้นบุญก็จะรู้บาปก็จะเห็น นั่งสมาธิหนึ่จะรู้จะบาปรู้จับุญรู้จัคุณรู้จักโทษ ร, รู้จักบุญคุณของพ่อของแม่นานๆเขา้ามันคิดแต่กี้เราเห็นแต่ยายโดมาทาบุญให้ทานท่าพระหลังถ้าบาเป็นบอกแต่กี้บ่าคืดแต่ถ้านั่งสมาธิไปนนนน์ประหยัดท่านไปได้แต่มันอ่อนเรานั่งสมาธิห น, นึ่งนั่งเพ่งแผดเผาจีใจของเราที่มันแข็งก็ได้ที่มันอ่อโยน พร้อมที่จะปะปนเปลี่ยนแปลงให้เป็นเสียงที่ดีที่งามเหมือนเหล็กที่มันกล้ามันแข็งต้องมาเผาเผาแล้วสูบลมใส่จนมันแดงแดงจริงครึ่งมันอ่อนที่มันแดงเราแดงเนะอามาตีแปลงเป็นเป็นใส่คอนทางใส่กระเน่นตีจะเป็นมีดเป็นพาเป็นกระทาเป็นขวานถ้าตีดีตีไม่ได้ต้องเผาเมื่อเรามานั่งสมาธิเนี่ยเราก็นั่งเอาลังนั่งเผาจิตเผาใจของเราที่มันแข็งกระด้างแล้วจะดัดแปลง ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มันเป็นใจที่เกิดกุศลเป็นบุญขึ้นเมื่อรองใจอ่อนลงมาแล้วที่จะได้บุญได้ปัญเป็นผาอสิคิดไปได้ปัญญ์บ้าสีมาได้บุญเพราะเผ่อเขาเป็นผาไงกินแต่ของงว่างเห็นทุกคนหาเอาเนอยู่ในกินดีๆมาเงิน้นเน้นงผัวเบียงทีจะมีอยู่นอถ้าบุญขาอาหารก็น่าจังเลยจังดอกปั้ยบริบูรณ์นุ่มธรรมวิถีมันคือลายไปไดยเนี่ยก็แลนด์แลนดออกมาได้ปัญญามาทาบุญหาเป็น นี่จะรู้จักบาปจากบุญจากคนจากโทษรู้จักประโยชน์แล้วไม่ใช่ประโยชน์อยากบริบูรณ์น้าเพิ่นไปมานั่งกินเขาสซบะตาหนึ่งเพลินซื้อนางสภัททิกกับมาน้องคนเพิินตัวน้าไปคึ้นแต่ไอ้พเมื่อที่ได้บุญที่พ่อบุญท่าสมัททีร้องพอไปได้ไปกับท่านนั่ไปบวมแบกละบ้าจึงด้วุ่นไนี่ทจริงหรือว่าเนื้อนาบุญเนื้อนาบุญไปว่างอกเงยงามขึ้นมาซึ่งความดีตรงนั้น ถ้าตอนไหนก็ตามเธ่ทำให้เราเกิดความรู้สึกดีงามขอมันตัวนั้นชื่อว่าเนื้อหนาบุญเกิดขึ้นนี่ไปอย่างนี้มันอบรมกันเป็นปฏิสัมันธต่อกันความเป็นมนุษย์มีโอกาสสูงเกิดมาในโลกหรือโชคดีมากที่ได้พบพุทธศาสนาตัวสำคัญที่สุดคือตัวบุรณาการของบุญ ตัวบุรณาการของอมตะตัวบุรณาการของการศึกษาตัวไหนตัวแปลตัวที่เป็น transmission power sheet ตัวที่แปลกำลำังทั้งสามนั้นให้มาประสบกันท่านอยู่บอกว่าปุญญะเมวะโสสิขยะอายะตะัดถังสุขิงทารยังทานันจะสมัจจริยันจะเมตตาจิตังจะภาวะเยอเอติธรรมีภาวะยิ ต, าตวาตะโยสส ข, ขังสมุ ท, ทเเจ อภิญญาประชังสุ ข, ขังโรขังปฏิโตติปุจจะติผู้ปรารถนาประโยชน์อันเลื่อเกิดมาแล้วพึงศึกษาพึงอบรมเรื่องบุญนี้ให้ดีๆอบรมดีสิกเขยยะดีทั้งอบทังหอมทําเป็นอนเนืองเดียวเข้าไปในเนื้อในตัวพึงศึกษาเรื่องบุญนี้ให้ดีๆพึงกระทำแตะบุญที่มีความสุขเป็นกํำไรบุญมีคนถูกเปก็นกาลัางกี่มิ้งเลยเฮ็ดแล้ถูกกป็คร้อมนะ บุญใดบ่ฮบบ่บท่านได้ว่าตรอยให้ท่านเป็นบุญที่มีความสุขเป น, นไรบุญอะไรที่มีความสุขเป็นกำไรทานั่งจัสมจริยันจะเมตตาจิตันเตภาวเจกการให้ทานที่ให้ศีลที่รักษาคือสมจริยันจะนี่เป็นชื่อของสินพฤติกรรมทางกายทางวาจาสมา่ำเสมอปกตกิไม่เบีเ่ยเบียน จึงแปลให้ง่ายว่าทานที่ให้สินที่ได้รักษาภาวนาที่จเจริญด้วยเมตตาจึงแปลว่าเมตตาจิตตัมจะภาวเยีคือพัฒนาเจิตให้เกิด เ, เ, เมตตาขึ้นมาจิตีธรรมีภาวยิตตาบางเมื่อพัฒนาธรรมสามประการนี้ขึ้นมาแล้วตะโยสุขังสมุทายีทำสามประการนี้เลยจะเป็นเหตุให้เกิดความสุขอพยาประชังสุ ข, ขังโลกัง บันทีโตตีปวุจจติกบันิีพัฒนาธรรมตำปรการนี้ขึ้นมาแล้วย่อมประสบแต่ความสุขอยู่ในโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนอันนี้คนจะมองไปที่สังคมถ้าสังคมพัฒนาธรรมตมปการนี้ขึ้นมาสังคมไทยสังคมลาวสังคมไหนก็ตามพัฒนาธรรมตำประการนี้คือนฐานคือศีลคือภาวนาสังคมนั้นจะไม่เบียดเบียน เบียดเยนจะได้สินหางไปความทุกข์เกิดขึ้นจึงมวัตยโยสุขขังมุทรเจี๊ะงอภยาประชังสุ ข, ขังโลขังปันติโตติภูจติมาดิตนั้นจะประสบแต่ความสุขอยู่ในโลกที่ปราศจากความเบียดเบียนสังคมนั้นจะไม่เบียดเบนะียนสังคมทางของว่าดีพอสงควรนะดีมากเพราะสังคมไทยนี้พัฒนาบุญนํามาได้การศึสละของข้คนไทยมีสูงมากคือฐาน การเอื้อเฟอื้อเผื่อแผ่ทางพฤติกรรมทางกายทางายจางไม่เบียดบียนกัพอสมควรคนไทยมีศิลและทั้งฐานทั้งศิล์นั้นมันมีตัวแปรมีตัวที่ถ่ายกำลังให้ให้มีพลังขึ้นมาขอพูดเป็นภาษาฝรั่งว่าเป็นตัวธาตุมิชันพลา o w e r Chief ตัวถ่ายกำลังให้เกิดกำลังขึ้นเป็นฐานที่ตั้งลงอย่างมั่นคง เหมือนเราจะปลูกบ้านเรามีเงินไปซื้ออิฐซื้อหินซื้อปูนซื้อสาซื้อเหล็กซื้อสังกะสีซื้ออุปกรณ์เครื่องก่อสร้างจนครบถ้าเราไม่มีพื้นที่ดินเราจะผูกบ้านได้ไหมใช่ไหมปูดหัอก้นโตน้อยไปไหมคุณบอกได้ยุบออกได้ใชปลุกรอดแล้วร่องนิ้วคนคือว่า